บทภาชนีติกาปาจิตตีหนึ่ยสิบเจยังไม่ได้บอกพิชชณีสําคัญว่ายังไม่ได้บอกนั่งบนอาสนะต้องอบัตปาจิตตียังไม่ได้บอกพิชชณีไม่แน่ใจนั่งบนอาสนะต้องอบัตปาจิตตียังไม่ได้บอกภิชชณีสําคัญว่าบอกแล้วนั่งบนอาสนะต้องอบัตปาจิตตีทุกกฎบอกแล้วพิชชณีสําคัญว่ายังไม่ได้บอก นั่งบนอาสนะต้องอาบัดทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีไม่แน่ใจนั่งบนอาสนะต้องอาบัดทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีสาคัญว่าบอกแล้วนั่งบนอาสนะไม่ต้องอาบัด